เพราะว่าเคยให้สินลืมลืมบ่อยก็ครั้งแรกเขามีคนกรุงเทพก็ไปเห็นตรรมาเขายกย่องเป็นพระอาราหารันเนอมอนไปเทศอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมคนมาฟังอาราหันนั้นทั้งสามร้อยคนห้องประชุมไฟช่วยไม่ได้เลยเขาก็จ้อง ย่ารหันทำไมยังดำปื๊ดๆนะฮะออนะเขาจ้องจ้องมากก็เลยให้สินไม่ครบ <c oughs> ให้ถึงไม่ครบเลยโอ้สินสี่ไม่ได้ให้เลยเ <c oughs> พราะโยมันนั่งดินถามพระพี่บ้ารหันอะไรดําปื๊ดๆ <c oughs> ก็เลยให้ทินไม่ครบเทศเสร็จแล้วก็เลยเขาก็มาตามล่าเอาสินก็บอกให้สินไม่ครบต้องไปฟ้องหลวงตามหาบัว เพราะว่ามาจากหลวงตาแล้วทำไมสอนลูกศิษย์แล้วให้ศีลไม่ครบเนินหนักใจนะจะไปพ้องหลวงตาเราก็หลวงตานอะเห็นหลวงตาโคตรไปหมดเลยเพราะกลัวหลวงตามากก็เลยบอกโยมความจริงศีลครบอยู่แล้วที่ไม่ครบก็เพราะมาจากโยมแหละโยมนั่งคิดอะไรกันหรอเขาบอกรู้ด้วยหร ไม่รู้แต่โยมคิดเองเมื่อกี้โยมว่าไงอะ่ะว่าพ ร, าาระอรหันต์ดำปืป๊ดอๆอใช่ไหมมุสาตมานะ่ะธรรมาก็เลยไม่จําเป็นต้องห้าดรอกใช่ไมเมโหดำแล้วรู้ด้วยเหรอดำก็รู้พอๆกันตั้งแต่นั้นก็เลยเทศกรุงเทพตลอดเลยน ะ, ะถ้าให้ศินไม่ครบถ้าให้สินครบเขาก็ได้เทศได้ครั้งเดียว น่าถ้าให้ครบนะครั้งเดียวตอนนี้ไม่ครบก็เลยเบิ้ลสองไฟขึ้นเวทีสองครั้งก็เลยได้ตลอดเลยคือปกติเอาสาระธารมาไม่ได้หรอกเพราะเรื่องเทศเทปพระธรรไม่ใช่นักเทพเหมือนประเดีพระคุณเนี่ยเจ้าของนัดจังหวัดเนี้ยท่านเป็นนักเทพท่านจะขึ้นธรรมารนะ่ะดูดีหมดแต่ธรรมานี้พูดตรงๆเถอไม่ใช่ทงนั้นธรตมาจะเทพไม่เหมือนใครโยมฟังต้องทําใจที่สุดนะ ไม่ใธรรมดาเมื่อฉลองกรุงเทพจองร้อยปีเนี่ยให้ปเทศสวนลุมเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดสวนลุมพินีมาแล้วนะขึ้นขึ้นเวทีมาแล้วก็เทศไปประมาณห้าทุ่มในมนตลมาเทศตามาดูนโยมกงนอนตั้งนโมเสร็จนรกไปแล้วสวรรค์ไปแล้วนิพานไปแล้วไปได้หมดเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้ไปคือไปนอนเอวังก็ไม่รั่ประกาประช อาจารย์จำเนียมบอกท่านเยี่ยมทำได้อย่างไรเราบอกโอ้ยทําทได้คนโุรินขนาดเรากินไม่เหลือเลยนะหมดขวดทุกครั้งเลยมยไอ้แค่นี้ทำไมจะทําไม่ได้ไหมไล่โยไม่นอนเลยจําแม่นเลยฮะเออองค์อื่นไม่เท่ามันมาเมาเขาไม่จําฮะองค์ที่ไล่เป็นโยไม่นอนนี่ก็จําแม่นเลยไปที่ไหนก็จำหมดเลยบอกองค์นี้หรือองค์นี้ <c oughs> ต่วันนี้ก็มันเป็นโอกาสที่ดีก็ได้มาอีก ปกติแล้วจะมาก็งานก็คือเป็นพระเขาเรียกมันพระขยันนะเพราะได้สมัครความขยันไว้แล้วก็ต้องขยันทํางานนะขยันนะก็เลยไปกรุงเทพสามวันตกงานเพราะไม่ได้เที่ปูนเป็นพระขยันนะคือได้สมัครความขยันนะคือแนดนมันขยันแล้วมันขยันเลยนะแปลกนะไม่เหมือนคนขี้เกียจเนาะ เมเห็นอะไรก็ทําแบบเมื่อคืนนี้ก็ทํานู่นถึงหกทุ่มเพลินบางครั้งก็ตีสองพะเมื่อคืนไปถึงวัดสามทุ่มบอกลุงน้องบอกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ทํางานเลยไปไปทํางานกันก่อนเถอะทําไปทํามาก็เลยหกทุ่มพอดีบอกแบบนี้นอนหลับแล้วถ้าไม่ได้ทํางานนอนไม่หลับอย่างรวมนอนหลับแบบไม่ต้องทํางาน อันนี้ต้องทำก่อนนะทำให้เหนื่อยเสแล้วถึงจะรบก็วันนี้ก็ที่เราจะมาป ร, รบธรรมะกันก็ที่เคยๆกันนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าลักษณะาการสอนทำมันก็มันก็มีหลายอย่างใช่ไหมฮะอย่างของตัมานี่เขาเลือกทำทานอกระบบอ่นะ <c oughs> เป็นทำนอกระบบนะ ต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตตัมมะสัมบุตตัจจะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมะสัมบุทตัจจะนะโมตัสสะะกวโตอะระหะโตตัมมสัมบุทัจจะบททางสรนังกัดฉามิ ทามังสารานังกจามิสังคังสารานังกจา ม, มิก็วันนี้พวกเราก็เป็นคนผู้มีความสนใจต่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะก็ที่มากันทั้งหมดถ้าไม่มีความศรัทธาต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคงจะอยู่บ้านแล้ว อันนี้มาหมายความว่าศรัทธาแล้วเรามีศรัท ธ, ธาต่อธรรมะนะครับนะก็มีศรัท ธ, ธาต่อธรรมะวันนี้ก็มันคงจะขาดอื่นไม่ได้อยู่ดีฮรเพราะว่าการฟังธรรมะนั้นมันต้องใช้สติมากมันต้องใช้สติมากเลยฮะเพราะสติตัวนี้อะสําคัญมากถ้าเรามีสติมากอะไร สมาธิก็ไม่ไปไหนหรอกในการเราจะเรียกสติมันก็ต้องใช้วิธีช่วยช่วยเรียกถ้าคนตายก็จุดทูกเรียกวิญญาณาเห็นไมก็จุดทูบเรียกวิญญาณเพราะอะไรเพราะทูกหอมทูกหอมปุ๊บคนตายก็วิญญาณมารู้ตามกลิ่นทูบไปเรื่อยๆไปก็เรียกจุดทูบเรียกวิญญาณ สําคัญมากฮะจุดทูบเร็วๆก็ให้พระนําไปนะพระนําไปก็นี่ไปแต่วันนี้ธรรมาก็เอาน้ําเย็นเรียกวิญญาณนะเอาน้ําเย็นเรียกวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยถ้าไม่มีน้ําเย็นมันจะไม่มีวิญญาณเข้ามาเพราะตอนนี้ถ้าเราดูว่าวิญญาณเราอยู่ตรงไหนนึกไม่ออกหรอกถ้าได้น้ําเย็นธรรมาไปวิญญาณเริ่มมาเพราะความเย็นทําให้มีวิญญาณขึ้นนะ เพราะว่าก็เลยทำไมต้องเอาตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่ามันเป็นตัวสำคัญนะไม่น้อยเหมือนกันถ้าสติเรามีสมาธิก็เกิดนะง่ายๆแต่งั้นวันนี้ก็คนที่กินน้ำเย็นแต่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกินถ้าประทับใดยังนึกว่าความเย็นนั้นนะสตินั้นยังอยู่ตรงนั้นได้ก็ไม่ต้องกิน แต่ถ้าสติของเราเคยกำหนดอยู่ตรงใต้สะดือเรากำหนดไม่ได้ก็ต้องเอาน้ำเย็นช่วยน้ำเย็นเพื่อจะให้คลายจิตของเราลงไปลงไปให้เพื่อเป็นสมาธิถ้าจิตไม่ลงมันก็ไม่เป็นสมาธิถ้าจิตเราอยู่ข้างบนก็ไม่เป็นสมาธิสมาธิเขาเรียก ว, ว่าจิตรวม รวมดึงลงไปลงไปลึ ก, ลกๆเนี่ยเสร็จแล้วจิตก็เป็นมันมันหยุดอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอยู่นานๆนานๆไปสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นนะไอ้นี่อ่ะมันเป็นเอ่อก็ลองดูคนที่ยังไม่เคยกินก็กินนะถ้ากินเราก็ต้องคุกเข่าก่อนคุกเข่ากินเพราะถ้าไม่คุกเข่าแล้วน้ำเย็นมันลงไม่ถึงกระเพาะนะนะ เอาลองเลยโยมลองเลยจะได้นั่งต่อนะฮถ้าเฉพาะคนพอใจที่จะลองนะถ้าถ้าถ้าเคยทำแล้วก็ไม่ต้องลองนะกินให้เยอะๆกินให้หมดเลยไม่ต้องไว้ถ้ากินน้อยร่างกายมันร้อนแรงรุนร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไฟขนาดเอาหอยเข้าไปยังละลายเป็นน้ำได้เลยนะ ถ ง, งั้นน้ำเย็นแค่นี้เกือบไม่พอท่านโยมจะทานก็นั่งคุกเข่านะคุกเข่าหน่อยเออแล้วทานให้หมดน่ะน่ะคุกเข่าเลยฮนะอ่ะอาคุกเขา่าทานให้หมดเลยนะเอาหมดเลยฮนะปุ๊บเลยน่าไม่ต้องรอคอยใครฮนะทานให้หมดที่ว่าให้คุกเขา่าเพราะอะไรถ้าคุกเข่าแล้วมันจะถึงฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ด น้าล้มปูล้มปูท่านฐานหนึ่งฐานสองฐานสามแต่ถ้าคุกเข่าแล้วมันถึงฐานที่เจ็ดของจิตเร า, าเอาลึกๆเอาเลยเลยเออเอาไว้นั้นนะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งนั่งนะถ้าคุกเข่าแล้วอย่าเพิ่งนั่งนะโยมให้หลับตาและลึกดูว่าน้น้ำเย็นที่กินไปแล้วนี้ว่ามันตรงไปถึงไหนแล้วถ้าถึงเลยสะดือไป โยมค่อยนั่งแต่ถ้ายังไม่ถึงสะดืออย่าเพึ่งนั่งนะให้เอาลมหายใจช่วยไปอีกก็ได้สูดลมลึกๆก็กกไปแล้วก็ผ่อนลงไปลึกไปน้าเย็นนะฮนะให้ลึกๆเลยถ้าถ้ามันเลยสะดือไปแล้ว เ, เราก็นั่งได้เลยถ้าเลยนะถ้ายังไม่เลยอย่าพึ่งนั่งฮนะถ้าเลยปั๊บ นั่งละถ้ายังไม่เลยก็นั่งไปก็มันไม่สัมผัสอะไรนะสังเกตดูดีๆนะเออเอาตอนนี้ถ้าญาตโยมไหนก็ท่าเลยไปแล้วให้โยมหลับตาให้สนิทนั่งสมาธิกคาถาให้มั่นคงไม่ต้องเกรงใจอาตมาแล้วนะเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเกรงใจใครนะนั่งให้สบาย นั่งให้อิ่มน้าให้อร่อยนั่งให้สดชื่นนะถ้านั่งแบบไม่อร่อยนั่งแบบทรมานเนี่ยไม่ดีฮะนะเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อต่อไปนี้ก็โยมก็สังเกต ด, ดูว่าวิญญาณของคุณโยมเข้าหมายอย่างวิญญาณนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกสุดท้ายของความน้ำเย็น เรารู้สึกว่าน้ำเย็นของเราถึงกระเพาะเราแล้วเลยลำ้ำเลยจะดื้อไปแล้วหมาความว่าวิญญาณกลับมาแล้ววิญญาณกลับมาแล้วไปพยายามระดมวิญญาณของเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาถ้าวิญญาณเข้ามาเต็มที่แล้วสติก็ควบคุมวิญญาณของเราควบคุมวิญญาณอย่าให้มันออกไปเป็นผีปอบนะ เอาสติของเราควบคุมวิญญาณของเราวิญญาณคือการเลลึกรู้การเลลึกรู้ว่าความเย็นอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเอาสติช่วยเขาไปอีกเหมือนเขาบอกว่าธรรมะหลวงตามาบัวว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิญญาอะนั้นคือเราต้องเอาสติเอาสติ ก, กับวิญญาณคู่กัน สติก็ต้องอยู่ข้างในด้วยเวีย ญ, ญาณก็ต้องอยู่ข้างในด้วยแล้วก็พยายามอบมันไว้อบมันไว้อยู่กับที่อย่าให้มันออกไปที่อื่นอ่าเดี๋ยวมันไม่มันไม่มีรสชาติพยายามอบไว้อบไว้คือการคขาว่าอบคือปัญญาปัญญาอบรวมสมาธิปัญญาก็คือพยายามควบคุม ควบคุมสติของเราให้เราเลิกอยู่ให้เราเลิกรู้อยู่กับความรู้สึกความรู้สึกถ้าเราไม่มีน้ําเยน็นมันจับความรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกของเราก็จะไม่อยู่แต่ถ้ามีน้ําเย็นปั๊บเราจับได้แล้วก็พยายามไม่ยวาว่าวิญญาณเข้ามาในร่างกายเราแล้วอย่าเอาวิญญาณออกนอกวิญญาณเข้ามาเสร็จแล้ว ก็เอาสติสติไปควบคุมวิญญาณสติของเราไปควบคุมวิญญาณควบคุมวิญญาณก็พยายามจะอบรมวิญญาณของเราเนี่ยอย่าอบรมวิญญาณของเราอย่าให้มันออกไปข้างนอกถ้ามันไม่ออกไปข้างนอกอ่ะถ้าวิญญาณของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปสุดท้ายคําว่าสมาธิ สมาธิที่โยมอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเรียกวิญญาณเข้ามาก่อนแล้วก็เอาสติเป็นพี่เลี้ยงวิญญาณสติเป็นพี่เลี้ยงวิญญาณควบคุมควบคุมตาหลวงตาทัางบอกว่าอบปัญญาเอาปัญญาควบคุมปัญญาควบคุมคือการการระลึกรู้การระลึกรู้นี่ยก็เรียกปัญญานะ ปัญญาควบคุมไว้ยาให้หายยาให้มันไปไหนยาให้ไปไหนพยายามจับเขาห้อจู่พุทโธอย่าเพิ่งท่องก็ได้แล้วอย่าเอาสติมาไว้ตรงปลายจมูกเพราะว่าเอาสติของเราไปอยู่กับวิญญาณวิญญาณมันอยู่ข้างในไอ้ที่ปลายจมูกลมนั้นอ่ะเขาเรียกว่าลมไม่ใช่วิญญาณนะ เอาเข้ามาอยู่ข้างในก็พยายามระลึกรู้รู้อยู่ตรงนั้นให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องช่วงที่เรานั่งภาวนาช่วงที่เรานั่งภาวนานี้พยายามอย่าให้มันไปไหนพยายามระลึกรู้ถ้าไปถ้าระลึกแล้วมันจะไปที่อื่นก็พยายามนึกความเย็นไว้ความเย็นมันไปไหนไม่ได้น้ำเย็นที่กินไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้ น้ำเย็นน่ะที่กินไปแล้วต้องอยู่ตรงร่างกายเราทางนั้นทัศนสติของเราคือวิญญาณของเราควบเอาคุมวิญญาณไม่อยู่สติไม่อยู่ต้องพยายามเอาน้าเย็นเป็นตัวตั้งไว้เป็นตัวตัวตั้งเป็นตัวตั้งตั้งควบคุมสติของเราให้อยู่ก็เหมือนฐาเป็นฐานที่ตั้งของจิตเรานี่แหละในะให้พยายามเลยลึกนั้นนึกให้เห็น ย า, ยามความทําสัมผัสให้รู้สึกดูว่าน้ําลึกเข้าไปถึงไหนก็เลยสติเราก็ตามไปถึงนั้นก็พยายามตามไปถ้าก็หยุดอยู่ตรงไหนเราก็หยุดกับเขาด้วยอยู่คู่กันเลยอย่าเพิ่งไปคิดอย่างอื่นให้เราไล่ทะล่มเขามาสู่ข้างในเลยให้มันสู่ข้างในอย่างเดียวเลยอย่าไปข้างนอกเป็นขาดเพราะจะไปข้างนอกก็ไม่ต้องภาวนาถ้าภาวนาแล้วต้องมาข้างใน ถ้าภาวนาปังมาข้างในไม่ได้ก็หมาความเหมืันไม่ได้ภาวนาดังนั้นวิธีเข้าในจําเป็นทึงอ้การต้องต้องบีตัวอุปายเขาเรียกกุสโลบายกุสโลบายการวิธีการปฏิบัติธรรมลงหายใจก็กุสโลบายพุทโธก็กุสโลบายสัมมาอารหันก็กุสโลบายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกุสโลบายเป็นกุสโลบายให้น้อมจิตน้อมใจ เรียกของเราเข้ามาอยู่ภายในถ้าเรียกมาอยู่ข้างในแล้วเราจะอยู่นานๆนานๆนานๆไปเรื่อย ๆ, ๆไปสุดทา้ายจิตของเราเนี่ยนะสติที่เคยไปข้างนอกวิญญาณเคยไปท่องเที่ยวมันก็ไม่ไปมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้การหยุดหยุดยุดุดนานๆนานๆหยุดไปหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหยุดยุดแ จนสินาทีก็ยังหยุดตรงนั้นห่งสิบห้นาทีก็ยังหยุดอยู่ตรงนั้น20สบนาทีก็หยุดตรงนั้ น, น, น, นสุดท้ายสุดท้ายข้างนอกลืมหมดข้างนอกที่เราเคยไปเคยท่องเที่ยวต่างๆนานาก็ลืมหมดเลยถ้าลืมหมดก็นนั่นเองสมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นก็ต้องลืมข้างนอกถึงจะเป็นสมาธิหน่า ลืมข้างนอกตอนนี้วิธีลืมข้างนอกเราจะเอาทำอย่างไงถึงจะลืมข้างนอกนะก็ต้องอาศัย อ, อกกุศโลบายช่วยเหมือนอาจารย์อาจารย์บอกว่าน้ําเย็นนะน้ําเย็นจุดท้ายเราพยายามระลึกไว้อย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนี้วันนี้จะอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเพราะเรานั่งภาวนาเพื่อ เพื่อควบคุมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเรานั่งภาวนาเพื่อควบคุมจิตใจของเราเป็นสมาธิการควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธินั้นต้องมีสติมีสติมไม่พอก็ต้องเละลึกให้เละลึกให้เละลึกอยู่คําว่าระลึกก็อยู่คือให้เละลึกไว้ให้อยู่ตรงนี้ด้วยเลอะลึกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้สติเข้าไปควบคุมตรงนี้ด้วยควบคุมที่เดียว ถ้ามันกระจายไปไม่ต้องไปอยู่นี่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะอย่าไปต้องไปอยู่ที่หัวใจนะไม่ต้องอยู่กองผู้รู้สุดท้ายตรงนั้นอ่ะเหมือนน้ำเย็นที่ให้กินไปพยายามด้วยกไ้วตรงนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเพิ่งให้ออกช่วงนั่งภาวนายอย่าเพิ่งให้ออกนะอย่าเพิ่งออกถ้าออกแล้วคาว่าภาวนามันจะไม่เกิดขึ้นนะ ถ้าออกแล้วภผ่านายจะไม่เกิดขึ้นมันเสียแล้วก็เรามานั่งสมาธิเพื่อจิตสงบมันก็จะไม่เกิดมันจะไม่สงบมันจะเสียเสียเพราะอะไรเพราะเสียที่เราไม่ยอมเข้ามาให้เป็นสมาธิเราไม่ยอมเข้ามาให้เป็นสมาธิแต่ตัวเองก็มานั่งสมาธิวิญญาณก็ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนผีปอบสติก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็จับไม่ได้อะไรก็จับไม่อยู่เลย ถามว่จจำไม่อยู่นะระลึกไม่รู้ไม่เห็นทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่าสติของเราใช้ไปข้างนอกจนลืมจนลืมระลึกรู้ข้างในจนลืมตัวเองลืมตัวลืมตนลืมจิตลืมใจลืมตลอดถึงวิญญาณเจ้าของภายในอะลืมหมดเราก็ใช้ไปข้างนอกตอนที่เราเอาเข้ามาข้างในอ่ะถึงรู้เลยว่าเรามันแย่ ตอนเอามาข้างในถึงรู้ว่ามันแย่จริงๆนึกว่าตัวเองฉลาดนึกว่าตัวเองเก่งนึกว่าตัวเองเป็นคน น, นัางๆนานาตอนเอาสติเอาวิญญาณเข้าให้มันให้วิญญาณมันหยุดอยู่กับที่มันไม่ยอมหยุดสติหยุดอยู่กับที่ไม่ยอมหยุดเรารื ล, ลึ ก, ก็ไม่ได้ถึงรู้ว่านี่แหละนี่แหละผลของการที่ไม่เอาจิตเข้าไปสู่ข้างใน ตอนนี้เราจะรลืลึกข้างหนก็เลืลึกไปไม่ได้เราลลึกได้แต่ข้างนอกข้างนอกนั้นเป็นการระลึกไม่ใช่เะลึกเพื่อตัวเองเขาเลือกตามภาษาเล่าก็เลือกไอ้สีหาเหตุหน้าตัวเองไม่เคยมองเรื่องเจ้าของก็ไม่เคยเอาเอาแต่เรื่องคนอื่นมาคิดมาใส่ไว้ในเจ้าของสุดท้ายเขบอกว่าภาวนามไม่สงบ ทำยังไงก็ไม่สงหบหลวงพอ่อแต่ตอนมันนั่งไปมันไม่เอาหลวงพ่อไวต้ตรงนั้นเสือไปเอาที่อื่นมาไอสิ่งที่เราสอนไปก็เสือไม่เอาไปเอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องเอาเราต้องตั้งสติให้แนว่วให้ควบคุมให้อยู่จะพึ่งไปไหนเชิญที่อาจารย์อยู่บนธรรมดจะพึ่งไปจะพึ่งไปนะทําไปบอกปัญญาไปหลวงปอยเรือนอยู่นี้มึงจะไปทําไม เธอเยงาะเจ้าของมันจะไปอีกบอกไปทําไมไปทําไมไปทําไมเดี๋ยวหลวงพ่อด่าเอาเออเดี๋ยวหลวงพ่อก็ด่าเอาโดยเด็กบางคนก็แอ บ, บไปนะเสือกแอ บ, บไปนะเพราะอะไรครับมันแอ บ, บนะมันแแบบนันแอบนะแอบไปเปบ๊บเดียวนะเออมันมันแอ บ, บได้เหมือนกันนะทั้งนั้นเราก็ต้องแอ บ, บดูมันแอบรบะลึกแอบรบะลึกมัน แล้วก็เลงให้ดีๆเลงให้ดีๆแอบดูแอบดูว่าผู้รู้ของเรายังอยู่ตรงนี้คำว่าผู้รู้ก็คือวิญญาณยังอยู่นี่ไหมสติยังอยู่ที่นี่ไหมยพยายามเลยลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้จะพึ่งจะพึ่งไปอื่นนะห้ามไปที่อื่นนะวันนี้ควบคุมตรงนี้ควบคุมตรงนี้ใครไม่เป็นสมาธิก็ไม่รู้ไปเพราะทําไมาตมาถึงให้ควบคุมอย่างนี้ เพราะเราเคยปฏิบัติมาแบบนี้มาแล้วปฏิบัติมาแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขเออมันมีความเบาเบากายเพราะกายไม่ได้พิจรารณาเพราะไม่ได้ดูกายมาดูจิตดูจิตเท่านั้นแหละนะสติอยู่กับจิตของเราเนี่ยน่ะตอนนั้นกายเลยก็ลืมกายเราก็เลยลืมดูไปสติเราก็แน่วแน่ขึ้นมา ทั้งนั้นตัวนี้ยทําไมถึงอาตมาเอาวิญญาณมาเรียกด้วยเพราะส่วนมากอาตมาก็เือไปที่ประเทศอิสราเอลเขาก็ถามมาหลวงพ่อวิญญาณยังอยู่ไหมอยู่แล้วไปเที่ยวดอได้เลยเพอวิญญาณอยู่แล้วก็ไปได้ถ้าวิญญาณไม่อยู่นมันไปไม่ได้ทั้งนั้นของเราก็ต้องการควบคุมวิญญาณถ้าวิญญาณกับสติอันเดียวกันนะ เออสติตัวนี้ต้องให้อยู่ตรงนี้อย่าพึ่งไปไหนเหมือนอะไรไม่เห็นอะไรไม่สําคัญแต่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งแอบไปห้ามไปอย่าพึ่งพยายามเลยลึกไว้ตัวเนี้ยนะพยายามนึกไว้นึกไปนึกไว้นึกไว้นึกไว้จนถึงถ้าน้ําอ่ะถ้าสติของเรานึกไปนึกไปหายเลยนึกไม่ออกนึกไม่เห็นเลยแรกเดิมทีก็รู้สึกบ้าง แต่นานนานไปก็ไม่เคยรู้สึกไอ้ที่ไม่รู้สึกก็เพราะอะไรเพราะว่าแอบออกจากบ้านทางหน้าต่างทางประตูเขาปิดจะเสือกออกทางหน้าต่างก็เลยลืมบ้านเจ้าของลืมบ้านเจ้าของก็เลยออกไปนูน่นไปเห็นข้างนอกไปก็เลยข้างในก็หายไปไอ้ที่มันหายก็เพราะว่ามันมันไม่อยู่ตรงนั้นน่ะมันเสือกไปมันก็เลยหายทั้งนั้นวิธีหายทําไง กลับมาเลยอะอย่าไปอย่าพึ่งไปกลับมาที่เก่านะมาอยู่ที่เก่าม่อยู่ตรงนั้นอ่ะเย็นไม่เย็นไม่สำคัญความเย็นไม่สำคัญเรารู้ว่าความเย็นหายตรงไหนตั้งสติไว้อยู่ตรงนั้นอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ยอยาไปอยู่ตรงนี้อย่าพึ่งไปอย่าไปเบงขาดนะอย่าพึ่งอยู่ตรงนี้ เย็นไม่เย็นไม่สำคัญแต่อย่าให้มันแข่งความตั้งสติอยู่ตรงความรู้สึกสุดท้ายไม่มีอะไรมีแต่ความว่างอยู่แต่เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้นเพราะเรามานั่งสมาธิถ้าไม่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นสมาธิได้ยังไงแล้วถ้ามีสมาธิรวบรวมจิตใจของเรามารวมเป็นพลังขึ้นมาแล้วรวมที่ดีรวบรวมเเป็นพลัง<ม>ก็มีความสุข ถ้าจิตเรามีความคือหนึ่งจิตที่ไม่มีความสุขเพราะจิตเรารวมไม่ได้ถ้าจิตเรารวมได้เป็นหนึ่งโคบความสุขเขาเลือกอมาจากสุขความสุขของจิตที่รวมได้เป็นหนึ่งมันมีความสุขยิ่งกว่าเราสุขในกายสุขในกายมันไม่เหมือนสุขในจิตทางนถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนอยากให้เรามีความสุขความสุขในจิตจิตที่ควบคุมได้ จิตที่อยู่เป็นหนึ่งแล้วรวมเป็นเป็น บ, บลาลังแล้วสุดท้ายความสุขความสุขตรงนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรมันเป็นผลความสุขแบบไหนความสุขตรงนั้นมันเป็นความเย็นชุ่มฉ่าความเย็นชุ่มฉ่าทำไมถึงมันเย็นเพราะว่าจิตของเราสติเรานะ่ะวิญญาณเรามันอยู่มันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันก็เลยเย็น ไอ้ที่เราไม่เย็นก็เพราะว่าเราออกไปข้างนอกมันเป็นไฟข้างนอกเป็นไฟก็เรียกราคะกินาโทสะกินาโมหกินาเนี่ยถ้าออกไปแล้วมันจะเป็นไฟทันทีถ้ารวมมาแล้วก็จะเกิดความเย็นทันทีเพราะไฟไฟนั้นมาจากอะไรทําไมถึงบอกว่าออกแล้วเป็นไฟคําว่าจิตมันออกเขาเรียกราคะจิตออกนอกคําว่าราคะก็คือคืออยากออกงอยากออก ยากออกไปไปไปสู่ข้างนอกนะถ้าอยากมันอะไรมันก็เป็นไฟทันทีทะงนั้นเรารวบรวมจิตใจของเราให้มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวจะเพิ่งไปไหนถ้าจิตมันจดค่อยลึงลงไปลงไปเราก็ตามมันไปนะเราก็ตั้งความรู้สึกตอนนี้ถามว่าตั้งความรู้สึกตอนนี้อยากไหมไม่อยากเพียงแต่ระลึกรู้อยู่ตรงนี้ ให้เราเลึกๆอยู่ตรงนี้เราบอกว่ามันเราอยงต้องการให้จิตหยุดนะไม่ต้องบอกว่าต้องการให้จิตหยุดขอให้เราหยุดนะให้เราระลึกว่าเราจะความระลึกรู้ของเราจะหอยุดอยู่ตรงนี้จะนนอยืนอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายจิตใจของเราก็เกิดสมาธิทันทีนะ คำว่าสมาธิที่โยมอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นตอนนี้ท่านโยมหยุดปุ๊บสมาธิเกิดขึ้นสมาธิเพราะอะไรสมาธิคาว่าสมาธิคือจิตสงบจิตสงบคือจิตนั้นมันหยุดแล้วคาว่าจิตสงบจิตสงบเพราะมันหยุดแล้วถึงจะสงบเหมือนคนวางมืออยู่กับเท้านั้นไมาความว่าสงบแล้วถึงวางได้ถ้าเคลื่อนไหวก็ไม่สงบนะตอนนี้จิตสงบปุ๊บ มันไม่เคลื่อนไหวมันนิ่งเฉยเลยนิ่งอยู่กับที่เลยไม่ไปไหนไม่เคลื่อนไม่กระเพื่อมซ้ายกระเพื่อนขวาเพื่อมหน้าเพื่อมหลังมันหยุดเหมือนเราเอาของวางไว้เพราะอยู่กับที่เลยนั่นแหละถึงก็เรียกว่าสมาธิตอนนี้จิตมันหยุดแล้วน่ะมันก็สบายมันก็สบายจากการหยุดจนเต็มที่แล้วก็มันก็จะหยุดแล้วเดี๋ยวเขาว่าปัญญา ปัญญาคือการรู้ว่าหยุดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองคือปัญญาคือควบคุมความหยุดตัวนี้ให้หยุดต่อเนื่องต่อเนื่องตัวเนี้ยงเขาเรียกปัญญาคุมไม่ให้มันไปที่อื่นนั่นเขาเรียกปัญญาไม่ได้คุมเพื่อออกนอกไม่ใช่คุมแค่เพื่อจออกนอกแต่คุมให้มันอยู่ตอเนี้ยปัญญาอ่าก็เรียกถ้ามีสมาธิก็ต้องมีปัญญาขึ้นมาทันทีตอนนี้ปัญญาจริงๆยังไม่ใช่ปัญญาออกนอกถ้าปัญญาออกข้างนอกก็ไม่ใช่ปัญญา นะปัญญาจริงจริงปัญญาในเขาเรียกในจิตของเราต้องหยุดอยู่กับที่เราต้องพยายามหยุดตรงนี้ถ้าหยุดแล้วโยมโยมคนไหนหยุดได้โยมนั้นจะมีความสุขมากที่สุดเลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนองค์กลฤมานไล่มาถ้าถามว่าองค์กลฤมานถามว่าทำไมสรระไม่ยอมหยุดพระพุทธเจ้าบอกหยุดแล้วแต่เธอทั้งหาไม่หยุดและตอนนี้เราเป็นศิษย์ ของปพุตธเจ้านั่งเาวนาแล้ววิ A A ่งเหมือนปทวทัตเหมือนพระองค์กอริมานเงี้ยวิ่งเหมือนองค์กอริมานเราไปเอาองค์กอริมานแต่ไม่เอาปพุทธเจ้าถ้าเราพปุตตเจ้าองค์กอริมานก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเอาไปองค์กอริมานปั๊บปปุทธเจ้าก็หมดความหมายเหมือนกันตอนนี้เราก็มาเลี้ยวเป็นว่าสารณะของเราเหมือนบอกว่าพุทธทางตรังกระฉามมีธรรมะ สารณะของเราถาว่าสารณะองค์กริมาณหรือสารณะพระเจ้าถ้าเรามีสารณะของเราแล้วสารณะของเราคือการหยุดอยู่กับที่นั่นเขาเรียกว่าจิตจิตถึงสารณะของเราจิตที่ถึงสารณะของเราจิตนั้นเขาเรียกถึงไตรทระไตรทระคมเขาเรียกจิตที่มีศิญจิตที่มีสิญสินนั้นคือความหยุด เหมือนแผ่นดินไม่เคลื่อนไหวนั่นก็เลือกสินถ้ามีสินมีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วเขาว่าตรงนี้มันจะเกิดสารณะขึ้นมาคือความรู้และความซึง้งนะความซึง้งซึ้งไม่พอก็เกิดศรัทธาถ้งงั้นการภาวนามันต้องศรัทธาสร้างศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นจากไหนศรัทธาคือการระลึกการระลึกไปอยู่ตรงนี้นี่ก็เรียกศรัทธา แต่ถ้าเราไม่ลึกๆตรงนี้ก็ไม่ศรัทธาแต่ส่วนมากคนเราจะไปศรัทธาธรรมะเที่ยว่าไปศรัทธาองค์กลิมานแต่ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าถทาองนั้นคนจะไปศรัทธาองค์กลิมานก็วิ่งไม่หยุดวิ่งไล่ข่าไล่โน่นต่างๆนาะนาะนะแต่ถ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าองค์กลิมานก็หมดความหมายเลย ถึงควรจะวิ่งยังไงฉันก็ไม่วิ่งเพราะฉันหยุดแล้วทางนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าฉันหยุดแล้วการหยุดแล้วของพระพุทธเจ้าก็คือสมาธินั่นเองฉันมีสมาธิแล้วตั้งสติไว้แล้วฉันจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่โกรธไม่เกลียดใครนั่นคือการหยุดทางนั้นนักโยมทั้งหลายก็ต้องหยุดให้ได้อย่าเพิ่งคิดว่าหนึ่งภาวนาแล้วจิตไปโน้นไปนี้ต่างๆ น, น, นานานัน้นมีปัญญาไม่ใช่ ไม่ใช่ได้นอนผิดเป้าเลยฮนะนั่งภาวนาเสร็จแล้วจิตไปท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าลงสังขารคือเป็นญาณเป็นผีปอบเออกจากร่างเหมือนผีกระสือนั่นแหละคำว่าผีปอบนั่นแหละร่างตัวเองไม่ยอมอยู่ชอบออกจากร่างแล้วก็ไปหากินอะไรต่อกินอะไรก็ไม่รู้สารพัดจิงที่ก่อนที่ไม่นั่งภาวนาก็ไม่มีอะไรกิน แต่ตอนนั่งภาวนาปั๊บปีกรสือออกแล้วอพี่กรสือคือวิญญาณออกไปหากินแล้วไปหากินจนจากหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นา ท, นาทีกินจนเพลินเลยฮะกินจนเพลินเลยสุดท้ายก็ไม่เข้ามาเลยก็ไม่เข้ามาเลยเข้าไม่เป็นนะเพราะมันเพลินข้างนอกทั้งนั้นถึงว่าญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งที่โยมนั่งสมาธิแล้วจิตโยมไม่เป็นสมาธิเพราะโยมเสกัด โยมแบ่งภาคไม่เป็นภาคหยุดนะเพราะโยมหาที่หยุดไม่ได้นะถ้าหยุดได้เมื่อไหร่จิตก็ไปสุดถึงลงปู ด, ดูลท่านเน้นนักเน้นหนาว่าคิดเท่าไรไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละถึงจะรู้รู้อะไรรู้ว่าจิตเราหยุดแล้วถ้าจิตหยุดแต่เพราะอาตามาเป็นมาก่อนแล้วอะอาตมาเป็นมาก่อนแล้วที่อาตมาพูดแต่พาเราเป็นแล้วอะ มันหยุดได้จริงๆนะบอกตรงๆนะหยุดแล้วหยุดเลยไม่ไปไหนเลยนะหยุดแล้วหยุดเลยอ่ะจะให้ให้เราไปปรุงแต่งนู้นปรุงแต่งนี้ต่างๆนานาด้วยจิตด้วยอํานาจของจิตปรุงแต่งคงเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเข้าห้องนอนไปแล้วไม่รับแขกแท น, นที่จะมาเอาบายอ่ะกุศโลบายมาสอนโยมคือเป้าหมายก็ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าให้ลองไปให้ลองไ ป, งไปดูตรงนี้หน่อยที่ เพราะการภาวนาก็เป็นการทดลองเราเดินไปหลายตำหนักทั้งหมดก็เพื่อทดลองทดลองเพื่อเป้าหมายตัวจริงของเราในะอยู่ตรงไหนน่ะเราเดินไปทดลองดูว่าตรงนี้ถูกไหมนี่นี่นไปอของอาตมาก็โยมก็ลองทดลองดูถ้าทดลองได้ผลแล้วโยมก็พยายามสร้างศรัทธาในสิ่งที่ปรากฏนั้นสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาการศรัทธาก็คือการเดลึกมากมาก เมื่อคนศรัทธาพระก็ต้องไปหาพระองค์นี้มากๆๆางบ่อยบยบยบน่ะถึงไม่ไปก็คิดถึงอุ๊ยน่ะกงคืนก็คิดถึงกางวันก็คิดถึงตอนเที่ยงคิดถึงตอนเช้าก็คิดถึงเพราะศรัทธาทางการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องคิดให้เกิดศรัทธาคิดถึงคิดถึงตรงนั้นทำไมจนเกิดศรัทธาเรื่มใสเต็มแล้วสุดท้ายจิตเราก็เป็นนี่จริงๆคือเป็นธาตุเขาเรียกคือเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายของเราคือระลึกรู้ ว่าเราอยู่ตรงนี้ตลอดไปนั่นวิธีการแก้ไขเพราะว่าเรื่องกิเลสนะก็ยอมรับอยู่อันนี้อาตมาก็พูดไปก็ขอโอกาสตรท่านก็ะเดชประคุณแล้วก็ขอโอกาสนั่โยมหรือขอกมาโทษหลวงตาด้วยหลวงตามาบวชคืออาตมาเองเนี่ยอาตมาภาวนายังไม่ได้ฆ่ากิเลสเพราะไม่ได้ฆ่ากิเลสเพราะอาตมาไปนั่งภาวนาแป๊บเดียว นั่งภาวนาประมาณสิบห้านาทีแล้วจิตมันก็นลงไปแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนพอเหมือนว่าคนเข้าห้องนอนไปรับแขกอะ่ะก็เลยเข้าแล้วก็เข้าเลยก็เลยจะให้ถามว่ากิเลสมีไหมกิเลสมีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ถามว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งนั้นส่วมากคนเราก็เือว่าการภาวนาจิตจะเป็นสมาธินั้นต้องต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสท่านนั้นน่ะ ถึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่สู้กิเลสก็ไม่เป็นสมาธิหมายความว่าขยันมากออกนอกบ้านท้าตีท้าต่อยกับกับวัยรุ่นแบบนี้ก็ต่างคนก็ต่างเจ็บติแน่เห็นวัยรุ่นอยู่ข้างนอกก็ไปท้าต่อยอก็มันนึกมันมันเป็นศัตรูแกเราถ้างั้นถ้าเราจิตของเรามาอยู่ข้างในอ่ะแล้วศัตรูมันมาจากไหนอ่ะถ้าเราคุมจิตของเราอยู่แต่ดูดีศัตรูมัมาไหม ถ้าสติเราหยุดแล้วศัตรูมันมีมาไหมอ่ะมันไม่มาสติเราหยุดก็มีแต่สมาธิเท่านั้นอ่ะสมาธิจะเป็นศัตรูกับเราได้อย่างไรแต่สมาธิไม่เป็นศัตรูแก่เราแนะ่เพราะสมาธิมันมันสงบแล้วจะเป็นศัตรูได้ไงอ่นมันก็ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวอย่าพึ่งไปไหนคืถองตมาบอกว่าถ้าหยุดไม่ได้ก็เอาน้ำเย็นของตมาสั้ไปสามแก้วสี่แก้วไชังหัวมาเถอะ อามันไปตัวนี้เออน้ำมันยังไงก็ต้องอยู่ในท้องเราแน่นอนโน่น อ, อยู่ในกระเพาะน้อยผู้เลยแหละอ่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะทําไมน้ําอยู่ตรงนั้นได้ฉันก็ตั้งสติอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันนว่าเออตั้งมันอยู่ตรงนั้นเลยอย่าให้มัตั้งที่อื่นเพราะถ้าตั้งตรงนี้เขาเรียกโอปันญิโกโอปันญิโกคือการน้อมเข้ามาสู่ภายในสู่ภายในเท่านั้นจึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่น้อมเข้ามาก็จะไม่เป็นสมาธิ ก็เลยวิธีอุบายการน้อมร้องไงก็เลยเอาน้ําเย็นมันเป็นอุบายมาปเป็นกุสโลบายช่วยถ้าไม่มีน้ําเย็นก็โยมก็สูดลมหายใจเข้ า, าใจออกอถ้าไม่มีน้ําเย็นลมก็นึกพุธโธพุธโธพุทโธก็ไม่ถึงสะดือเพราะมันลงไม่ได้ทังนั้นวิธีการภาวนาเพื่อกําจัดแะกำจัดความพุ่งซ่านรําคาญต่างๆนานาทั้งหมดนั้นนั้นในวิธีตรงนี้จะ ก, กําจัดได้ดีมาก ทำไมถึงกาจัดได้ดีเพราะสติเราหยุดอยู่แล้วมันก็จัดได้หมดทุกอย่างถ้าสติไม่หยุดถึงกาจัดไม่ได้นั้นโยมต้องหยุดอยู่ตรงนี้ให้ดีเนะพราะธรรมาเคยหยุดแล้วมันสบายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันหยุดจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะ เ, าเราจะยินดีอะไรมากกว่าตรงนี้ไม่มีเพราะเราตรงนี้มันยิ่งใหญ่มากเพราะมันอยู่กับเราทุกวินาทีไม่เคยเปลี่ยนแปลง เขาอาตมาตามาพูตสมาธิอัตมามอัตมาบอกมันเป็นทะลุสมาธิมันทะลุสมาธิอะเพราะอะไรมันเลยฮะมันเลยไปสู่ไปสู่ความว่าคาว่าสุญญตาความว่างของจิตมันไปถึงความว่างของจิตมันจะปรุงแต่งได้ไงมบอมันว่างหมดแล้วแต่ตอนนี้โยมก็อยากว่างว่างว่างวบอกทํากายว่างนึกว่างว่างอะไรว่างว่างที่แท้จิตมันไม่ว่างแต่ว่างที่จิตมันไม่ต้องนึกว่างว่างหรอมันว่างเอง มันว่างเองดังนั้นแหละถ้าควบคุมได้ตัวเดียวแค่ันมันก็ว่างหมด่ะถ้าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ว่างทางนั้นนี่คือการปฏิบัติให้ถึงสราระพุทธประพฤติเจา้าเป็นที่พึ่ง ป, ประทาเป็นที่พึ่ ง, ป ร, งประถมพิธีคาว่าเปรียพึ่งนั้นคือให้หยุดอยู่ตรงนี้อ่ากับความรู้สึกตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปต่อสู้กับศัตรูเราไปต่อสู้กขาต้อไม้เรานั่งอยู่นี่เนี่ยถ้าไปเราไปออก ไปนอกบ้านก็โดนเจ็บตัวนี่แหละส่วนมากสติเรานะ่ตอนที่เราให้หยุดเท่านั้นเองตึงรู้โอ้โหทำไมมันหยุดยากหรือเกินวะหยุดมันจะหยุดหยุดแป่บเดียวก็จะออกแล้วยุดแปบเดียวก็จะออกแล้วทำไมถึงมันไม่ยอมหยุดตอนนี้ทรมานทรมานเหมือนลูกมันออกไปที่นอกบ้านจับมันมาขังแล้วลูกก็ออกอีก จับมาขังแล้วก็ลูกก็ออกอีกจับมาขังแล้วก็ลูกออกอีกทรมานมากแม่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงๆไม่ใช่เหนื่อยเล่นๆในจิตตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะแม่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะลูกมันจะออกไปเที่ยวแต่ทางนั้นในลูกตรงนี้ก็ใครอ่ะความจริงเราทั้งแม่ทั้งลูกอยู่คู่กันไปเลยไม่ต้องออกนอกไม่ต้องไปออกไปเที่ยวที่ไหน ถ้างั้นถ้าเราไม่ออกแล้วทุกทสิ่งทุกอย่างเราจะรู้เองธรรมะปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้ว่าหยุดหรือไม่หยุดถ้าเรารู้ว่าหยุดเราก็เข้าใจว่าหยุดมันเป็นอย่างไงและจิตไม่หยุดมันเป็นอย่างไงเราเป็นผู้รู้เองเท่านั้นเพราะครูบาอาจารย์จะไปรู้กับเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะท่านไม่อยากรู้หรอกเพราะจิตใครจิตมันสติใครสติมันวิญญาณใครวิญญาณมันมันแบ่งกันไม่ได้อะ มันแบ่งกันไม่ได้หรอกถ้าแบ่งกันได้ป่านนี้ธรรมาขอผู้ติเจ้ามาแล้วนะหรือขอนน่นขอลุงปู่มั่นมาแล้วจากวิญญาณลุงปู่มั่นก็มาเป็นวิญญาณหลวงตาเยือนก็สบายเออปลอดปลอดภัยแต่ตอนนี้ญาติโยมก็เลยมาเข้าใจว่าต้องให้วิญญาณอาจารย์มาช่วยเขาช่วยอย่างโน้นช่วยอยไม่ได้นะไม่ได้เลยวิญญาณตรงนี้แรงเพราะแรงเพราะอะไรอะตอมาจะพูดไอ้นี้ที่ผูใ้ใดฟัง นอกประเด็นโยมอย่าเอาจิตไปตามนะสติต้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะหูได้ยินได้แต่สติตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับการพูดนะเพราะว่าการพูดมันแค่คนละอย่างสติตรงนี้ก็คนละอย่างกันนะนะเพราะว่าเคยอยู่บ้านตาดัดบ้านตาดก็ท่านเบิ่มอาตมาก็นั่งอยู่กุตมาประมาณหกโมงเยน็นท่านเบิ่มเขาก็นั่ง ข้างๆ ข, ของกุศท่านปัญญาเขาก็ทําวัดเย็นทําไปก็เห็นอาตมาไปนั่งขัดธมาดให้เขก็นั่งกราบไปนั่นแหะกราบมันแล้ววันนี้ก็อาัยให้อาภัยหรอกนะทําไมถึงทเงยือนมานั่งให้เรากราบมันมีอะไรดีวันที่สองก็ไปนั่งตอนเขาทาวัดที่ไหนก็ปรากฏตัวเองไปนั่งให้ก็กราบานั่นแหะท่านบ้มเป็นคนภาคกลางแขน พระสุรินมันต้องเป็นพระผีปอบถึงมันถอดร่างมาให้เรานั่งกราบมันได้ลุกขึ้นมามาหามาตมาเลยมาถึงกุดตะมาท่านเยือนท่านเป็นพระผีปอบใช่ไหมทํามอาจารย์ก็มเมื่อกี้ท่านให้ท่านไปนั่งนี่กุดผมให้ผมนั่งกราบท่านนะท่านอย่าเล่นแบบนี้นะไม่ได้นะไม่ได้นะคนเรานะี่ยโตด้วยกันอย่ามาเล่นหลอกกันอย่างงี้ <c oughs> ตมาหรืจะไปหลอกท่านเบิ่ม เรื่องอะไรกูเต้บเบิลอยู่ที่ไหนไมันจำเป็นต้องสนใจไม่สนใจหรอกนะไม่สนใจน่นเพราะอะไรเพราะจิตมันออกไปไปปรากฏของเขานะถ้างั้นเลยก็หลังตมาบอกวิาญาณนะเดี๋ยววิญญาณตมาไปจริงๆโยมจะคลัวเลยฮะนะถ้งงั้นเราต้องควบคุมวิญญาณใครวิญญาณมันนะวิญญาณใครวิญญาณมันจิตใครจิตมัน ควบคุมให้ดีให้อยู่ตรงนี้อย่าวกแวกไปที่อื่นในจิตตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยได้ที่สุดเลยนะช่วยได้ที่สุดเพราะว่าจิตตรงนี้จะไม่มีนิมิตอะไรมาแทรกแซงจะไม่มีนิมิตอะไรไม่ใช่นิมิตจะเกิดขึ้นได้เพราะจิตนั้นน่ออกเราบ้านอาถึงจะเป็นนิมิตขึ้นมาทั้งนั้นตรงนี้จะไม่มีฮนะทั้งนั้นญาตโยมทั้งหลายก็พยายามเน้นเๆ้นเน้นเน้น้นนนนา ห, หาย ไม่ใช่เออวันนี้ไม่หายพรุ่งนี้ก็หายไม่ได้นะเพราะชีวิตของเรานะี่ยไม่ได้เยอะเลยสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกชีวิตของเราน้อยที่สุดนั่นน้อยเพราะอะไรอ่ะโยมก็นึกว่าเออประภูรประคุณสมเด็จอายุตั้งร้อยกว่าปีทําไมชีวิตถึงน้อยนักที่น้อยนักของพระองค์ท่านนั้นคือระลึกถึงทำน้อยที่สุดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งฉันคิดแค่หนึ่งนาที ไอ้ที่ล้านล้านนาทีก็เสีกไปคิดไปคิดอะไรก็ไม่รู้พระองค์ท่านหมายถึงตรงนี้ว่าสวาบุนของเราน้อยนักบุญเนี่ยบุญก็ว่าบุญะจะเตะดคิดถึงบุญมันน้อยจริงๆมันน้อยมันไม่เยอะท่านบอกว่าต้องรีบทำตทามันนิดเดียบเดียวญาณโยมก็รู้อยู่ใจใจอ่ะญาณโยมจะมากหรือจะน้อยกาณโยมก็รู้เอาเองวันหนึ่งคิดถึงธทำกี่นาทีอ พรคุณท่าเป็นภาษากรรณาท่านเลยเขียนเป็นหนังสือว่าบุญนี้มันชีวิตนี้น้อยจริงๆน้อยนักจริงๆเพราะคิดน้อยจริงๆนะพ่อไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลยะคิดอะไรก็ไม่รู้ความจริงการคิดแต่ที่จะไปหาใครเราคิดไปหาใครต่อใครอะถ้าตามาอยากจะแนะวิธีวิธีทางออกที่ดีก็คือถ้าโยมคิดถึงอาตามาโยมต้องขออนุ ญ, ญาตตมาข อ, อว่าหลวงพอ่อ ฉันจะคิดถึงท่านไหนท่านจะอนุญาตไหมบอกไม่ทาไมโยมก็เอาโยมจิตโยมกลับไปคืนซัยจะไม่คิดถึงเราทําไมเนี่ยแล้วโยมคิดถึงใครก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตเขาได้ก็จะดีนะหน้วิธีการแก้ไขคือขอก่อนเมื่อเราคิดถึงคนนูน้นคนนี้บอกตอนที่เรานั่งสมาธินะอันนี้หมายถึงตอนที่นั่งสมาธิคิดถึงเขาถ้าเขาไม่ขออนุญาตเขาไม่อนุญาตให้คิดอย่าไปคิดตามเขา อย่าไปคิดถึงตอนนี้อาอตมาอนุญาตให้คิดคิดถึงอะไรคิดถึงความเย็นแล้วเรียกสติมาเรียกวิญญาณมามาอยู่คู่เดียวกันทั้งทั้งสามตรงนี้อย่าให้มันวกแวกไปที่อื่นเดี๋ยวก็มันก็ชนะเองเพราะการชัยชนะทั้งหมดไม่ต้องไปชนะใครไม่ต้องไปชนะใครเราชนะใจเราคําว่าครูบาอาจารย์บอกว่าชนะใจเราชนะใจเราชนะตรงไหน โยมก็ไม่รู้ก็รู้ว่าชนะตรงไหนก็ชนะที่เราหยุดอยู่ของเราตรงนี้มันชนะหมดแหและแล้วไม่มีใครแย่งใจเราไปได้เลยนี่คือเรื่องว่าชนะใจเจ้าของงานชนะใจเจ้าของก็คือนี้ตรงนี้ทะ้นั้นเราต้องหาจุดชนะว่าเราจะชนะอะไรชนะใจเจ้าของคือชนะที่ใจออกนอกไม่ได้ไม่ยอมออกมันจะพาออกก็ไปออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกสุดท้ายมันเบื่อมันไม่ทั้งนั้นก็ไม่ต้องออกแล้ววะ ฉันก็อยู่นี่แหละที่เกียรออกไปแล้วตั้งใจจะออกแม้อยากออกก็ไม่ให้ออกอยากออกก็ไม่ให้ออกวุสารหลอกจะออกอีกก็ไม่ยอมออกแหมรู้เท่ารู้ทันเหลือเกินอะไรเน่มันจะแอบไปนิดหนึ่งก็ดึงขากลับเมื่อคืนแล้วอย่าจะออกประตูก็ดึงขาจะออกหน้าต่างก็ดึงขานี่ยไปนเงี้ยคือรู้เท่าเขาเรียกรู้เท่า ร, ทรู้ทันการออกการรู้เท่ารู้ทันนั้นก็ต้องมีสติ ถ้าสติเหมือนะ่ะสติต้องอยู่กับ น, นี่อ่ะนะก็ต้องอยู่ตรงนี้สติเราก็เหมือนถ้าเราจะมุดข้างนอกก็คือพ่อแม่เราได้แหละออที่จิตเราออกก็คือลูกเราออกนอกบ้านน่ะแม่จะให้ออกได้ไหมก็แม่อยู่ในบ้านลูกจะออกไปก็บอกแม่อย่าออกไปไว่าอยออกไปเฮ้ยอย่าออกไปเนี่ยออกไปบ่อยลูกก็จะออกไปเอ้ยพอพ อ, พ อ, พ, อ, พ, อพออยู่เนี่ยสุดท้ายลูกนอนหลับแม่ก็สบาย เพราะอะไรเพราะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะขีมอเตอร์ไซค์ลม้มหัวแตกข้างแตกแขนหักขาหักนี่อะไรเงี่ยก็พักผ่อนสบายการภาวนาน่ะไม่แต่ธรรมะเนี่ยนะธรรมะจริงๆมันอยู่ต่อหน้าเราทั้งหมดเลยนะปัญญาก็อยู่ตรงหน้าเราทั้งนั้นมันอยู่ที่เราจะตีความเอาถามว่าจะตีความเอาอะไรอะไรอะไรอะไรนั่นนะหรือจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอานั่นนะมันอยู่ตรงนั้นเอง คนเราอ่ะไม่มีใครนะไม่มีใครฉลาดใครโง่กันหรอกทุกคนก็มีความฉลาดความโง่เหมือนกันอาตมาก็โง่เหมือนกันแต่ว่าอาตมาฉลาดหมดก็ไม่ได้บางครั้งก็โง่เหมือนกันนะแต่บางครั้งความโง่โต้องโง่เป็นถ้าโง่ไม่ออกนอกบ้านอ่ะเขาเรียกโง่แบบนี้ก็เรียกโง่ปลอดภัยถ้าโง่ถ้าถ้าถ้าฉลาดออกนอกบ้านก็เรียกคนไม่ปลอดภัยแล้วถางั้นการปฏิบัติทำพยายามเน้นประเด็นตรงนี้ ควบคุมมันให้ดีนะควบคุมมันให้ดีจะพึ่งไปไหนช่วงที่นี่เรานั่งมาสามสิบนาทีแล้วสีสิบนาทีแล้วเนีย่ยถ้าถ้ามันอยู่ได้สบายจริงๆนะแต่เริ่มนานๆไปก็เริ่มเคลิมแอบแอบออกไปอ่ะออกไปครั้งๆปิดประตูแล้วนะเอ้ยยังแอบไม่รู้ประตูก็ยังออกไปได้นะเหมือนวิญญาณนะ่ะออกไปก็มันมันปรากฏกายอยู่ข้างนอก ตะกอนจะมันมันถูกอยู่ตามรูมันไม่ไ ป, ปกบมันข่อปรากฏบอกพอคล้ายๆมันเย็นเย็นเหมือนน้ำแอร์แอเย็นเย็นไปปราโกดข้างนอกเลยเนี่ยยิ่งฟังนานๆไปก็ยิ่งค่อยออกไปออกไปออกไ ป, ออกไปสุดทธาธ้ายจารย์เทศเทศไปไม่ได้ยินเลยเพราะอะไรบิน ญ, ญาณฉันไปเที่ยวแล้วกําลังไปเป็นผีปอบไปโน่นไปนี่ต่างๆนาน า, นานเนี่ยเอาจริงๆอ่ะนี่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยถ้างั้นวันนี้ที่เรามาคุยกันนะะ มาคุยกันเพื่อเป็นการลัทธนาคาว่าธรรมะลมหลวงปู่มาบวกเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิอมันอยู่ตรงไหนก็โยมคิดว่าปัญญาน่ะปัญญาก็คือเอาของเข้าไปในหมอ้อในหม้อก็บรรงไปในหมอ้อเขาเรียกอบรมอบในหม้อไว้จนเป็นสมาธิแต่ตอนนี้มันไม่เข้าหม้อที่ มันไม่เข้ามอ่อมันออกนอกม่อเลย ม, เออมันก็เลยล้มก็ธรรมะล้มตาเนะี่ยดีมากปัญญาอบรมใ้แต่เราไม่ยอมเข้ามอ่อมันก็อบสมุนไพรไม่ได้หละเนี่ยเลยเข้าม่อไม่ได้เขาออกหนอกหม่อไปเลยเนี่ยก็เลยเอาหลักธรรมที่ธรรมะอบเ อ, อเขาเรียกสมาออปัญญาอบรมสมาธิมาเปิดเทียบมห้ญาณโยมฟังว่าทําไมถึงลวงตาพูดอย่างนั้น ลรงตาพูดถูกมากเป้าเลยสบายมากตรงเป้งเลยนะอาตมาฟังเลยชื่นใจอาตมาเข้าหม้อเลยอบเลยเอออยู่คนในหม้อเลยไม่ต้องออกหมอ้อหมอ้อเนี่ยมันก็เป็นก็เลยปัญญาอบรมทําให้จิตเราเกิดสมาธิขึ้นมาการอบรมก็คือการควบคุมควบคุมอ่าควบคุมพี่เลี้ยงจิตใจพี่เลี้ยงอารมณ์ของเราอยู่เพื่อไปไหนตลอดลเข้าหมอ้อพบปิดปากหมอ้อนี่แหละมุงอยากไปไหนนะ อยู่ตรงนี้มันก็เป็นสมาธิทันทีนะอันนี้คือพิธีการปฏปรรบธรรมะวันนี้ก็คือตุ้จุดไม้ปลายฐานก็คืออยากให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้ถ้งนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็น้อยลงน้อยลงอย่างผู้อาตมานี่ละอองแล้วอาตมานี่มันละอองแล้วโดนแดดก็หายวับนะเพราะว่าครูบาอาจารย์หลักๆท่านก็ไปบรณะภาพมาแล้วน่ะของตามาก็ละอองแผ่วๆนั่นเอง ถ้าโดนแดดก็หายวับความเย็นก็หายเลยทั้งนั้นตอนนี้เหลือละองคแล้วโยมไม่รีบเอาเหรอรีบเอาซะเอไม่รีบเอาตอนนี้จะไปตายจะเอาตอนตายก็ไม่ไหวร้องนะวันนี้ก็คือการพูดธรรมะก็เราก็เลยต้องเอาตรงนี้มาเป็นวิธีการปฏิบัติเพราะว่าอาตมาขี้วันชานิโดนทั้งหลายก็พร้อมใจแล้วพรีชีพพรีชีพมาแล้วพร้อมจะตายต่อหน้าธรรมาคือตาใด คือควบคุมจิตให้เป็นสมาธิจะทิ้งบ้านทิ้งช่องจะทิ้งทุกทิ้งทุกอย่า ง, ง, งแต่บางคนไม่พรีชีพไม่ยอมอยู่กับตาต า, าแอบไปบ้านเฉยเลยแอบไปโอ้ยตาตาห ม, มีไม่เรียลทำไมาจะตีเลยนะไอ้จิตอย่างนี้มันเป็นไปได้อย่างไงนะไอ้ความจรินข้าวหลังให้ด็อกเตอร์เออเอาไม่เรียลสักอันหนึ่งถ้าเกิดใครออกไปตาตาบอกนุ่นคนนุ่นออกแล้วตีเลยเป๊ะเอี ย, อยงนี้อยู่คาถาซะเนี่ย ทางโนจะเรบออกปี้ตีเอาตีเอมันมันดีเนาะเพระว่ามันดีเหมือนกันแล้วก็ขนาดโดนใบเดียวเราไม่ยอมอยู่อีกก็ไม่รู้จะวางไงเนาะเพราะมันมันกระซิบกระซาบออกไปน่ยนะดังนั้นวันนี้ก็การภารบธรรมะนะก็สมควรเก็บเวลาก็มากวันนี้ก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวนั่งนานก็ปวดแขนปวดขาทรมานธรรมะในตัวมากฟังมากก็ทรมานนะพระมาณเท่าไหรเพราะเวทนาไม่เริ่มมาหา นั้างนั้นก็สมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการและจนนีเออ